เก็บพรจักรวาในนิวรณทั้งห้าผูออกไปกายบ่กไม่สงบให้เจ็บปวดเหน็ดเหนยเหนื่อยหิวต่างๆใจกับลำคานนี่คือความใหม่เห็นความสงบความใหม่เห็นอัด ไมายินดีไม่เต้มใจไม่เรื่อนใสในการจัดทำของตัวหยิดจึงฟุ่งจึงฟุ่งมีความอยากมีความดิ้นรนปัดแง่งไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราตั้งมัง่นทำการจริงจังจริงเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเรา สัญญาอารมณ์ออกไปโตขึ้นใหม่แล้วตัดอีกจนจิตละเอียดลงไปลงรวมเกิดความอศัศจรรย์แล้วความลังเลสงสัยหรือียว่ว่เราวิจีตจิตฉามันจะหายไปคนเขาจะพูดกันทั่วโลกว่าศาสนาผ่านมาระยะยาวนะผู้ประพฤติปฏิบัติอาธิธรรมนั้นอย่าไปนึกขวัญ ไปจากหมดไปจากกิเลสปัญหาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเพื่อเป็นนิสัยเท่านั้นไม่ใช่จะเป็นพระอรหัตอรหันต์เหมือนสมัยก่อนมี่เป็นเรื่องคนที่ในเถรเพลสปฏิบัติผู้ที่ศึกษาตำลับตำลาแต่จะมีความเตลียวสลังเลใจ เราไม่เคยเห็นเคยเป็นถ้าเราเห็นเราเป็นเพียงข่านส ง, งบเท่านั้นเพียงจิตของเราได้สัมผัสกับอัตชันเท่านั้นเราจะไม่มีการสงสัยจะสงสัยอะไรเราก็เพลิดปฏิบัติเรายังเห็นยังเป็นอยู่อย่างนี้ทุกยังมีอยู่สมุทัยยังมีอยู่นี่โหลดมั๊กมันจะต้องมีเมื่อเราทํางานอยู่เรื่อยๆงานนั้นถึงใจ อยากยุ่งใหญ่โตขนาดไหนมันต้องสาเร็จพอเราทำแต่คนไม่ทำบนหว่างงานมันยากมันลำบากอยากจะให้งานมันเสร็จคนนั้นถึงงานนิดๆนหน่อยๆนั่งบนมอยู่ตลอดเลลวลาแต่ในลงมือทำมันต้ไงห้สาเร็จให้มีการประพฤติตบดี บ, บาดใจกต่ทำนองเดียวกนันให้ตั้งหน้าตั้งตา ธประพฤตปฏิบัติทรสิทธพระพุทธเจ้าสอนซุ่งถั่วไปจำได้และสาทยายข้องบนกันว่าทมเป็นอาตาลิโกเป็นเอวิปติโกเป็นโอกนะอิโกนี่เป็บทของทมธรรมะคุณมีหกบทนับแจ้ตสว่างาโตัวะาธรรมโมทันติติโกอาาลิโก เลื่อยไปจนปัด จ, จัดต่างนี่คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไวด้ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนบกท่องสมบูรณ์ถ้าผู้ฤติธปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนเอาไว้ผันทิกิโกจะต้องเห็นในจิตในใจของตัวโดวยไม่ต้องไปถามคนอื่น ก็ในม่ต้องให้คนอื่นบอกมันเห็นมันเป็นในจิตในใจความสงบของใจเป็นอย่างไรความตัดขาดของสัญญาอารมณ์เป็นอย่างไรจะต้องทราบจะต้องเข้าใจเพราะเราปฏิพัติปฏิบัติตามอัธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นสรรพิติโกเห็นเองแต่ A, จัก อาการิโกโไม่มีกานไม่มีเวลาเพราะให้ตั้งหน้าตั้งตาต่อพฤติปฏิบัติอย่าไปเสี่ยงสว่ามรคลจะไม่มียิ่เหตุปัญหายังมีอยู่มรคลจะต้องเป็นคู่กันความอิ่มมันก็มาจากความหิวถ้าเราทานแล้วความอิ่มมันเกิดขึ้นแต่หิวไม่ทานจะบนขนาดไหนมันก็ไม่มีวันเวลาที่จะอิ่มให้ฉันใดมรคล ทางศาสนาก็ทำนองเดียวกันเจนเจีบนอยากได้แต่ไม่ลงมือประเทปฏิบัติไม่ฝึกหัดจิตใจท้องตัวมันอยากคิดอยากปรุงอยากอยกข่องกับอะไรก็ปล่อยมันไปแล้วแต่สัญญาอารมณ์อะไรจะผ่านมาระคุบทางนั้นคนแบบนั้นจะเรียนมากขนาดไหนตอนน้เคยมี ความสงบของใจจะมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เคยสบพบเห็นความสางบจากสัญญาอารมณ์ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดตัวเองแล้วอยากจะหมดที่เหลือมันจะหมดไปได้อย่างไรพอเราไม่กาจัดไม่ปฏิบัติเกิความหมดเกี่ยบของจิตของใจมันเกิดสงสัยอยู่เรื่อย แล้วก็กล่าวตูดูหมิํมาทํทำสองกองพุทธเจ้านั้นหมดการหมดสมัยทึกละสมัยใครไปเพืท่ทปฏิบัติคนนั้นก็ลุมห ล, ลงงมงายเขราจะจ็ดตองดูหมิน่นนินทาฝากกล่าวไปอย่างนี้พอเขาเห็นย่อมเกลียดปัญหาเป็นข้องหยิบข้องดียิ่งฝากธรรมะถ้าเขาเห็นธรรมะเป็นของหยิบของดีเทากลงมือไปเอปฏิบัติ เ, เขาลงมือไปเพื่อปฏิบัติเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจจะไปดูถูกยินชาที่หนึ่งเพราะธรรมะนั้นเป็นของดีของมีคุณค่าสำหรับใจของเขาพระหาจะคิดส่วนรวมเท่าโลกหรอธรรมะนั้นก็เป็นเื่อนคุ้มครองโลกให้สุขให้ส ง, งบบ้เพราะผู้มีธรรมะในจิตในใจ เราไม่เบียดเบียนไครธรรมะทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นของดีมีคุณค่าไม ใ, ใจของล้าสมัยคิดดูแต่สีนทุกข้อมันล้าสมัยไหมเราพิจารณาดูสิกฎหมายสมัยได้ก็ตามเยอะตั้งเคลืนเยอะจบเลิกไปถอนไป อย่างในประเทศไทยของเรารัฐธรรมนูญก็จแจกไขไม่มีวันไม่มีเวลารัฐบาล น, นี้แก้ไขอย่างนั้นรัฐบาลนั้นแกไขอย่างนี้เพราะเรามีตาหยาญเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นแล้วก็ว่าไม่เหมาะสมควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้นี่สี่ที่พระพุทธเจ้ า, อาสอนเอาไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีมา ข้อไหนล้าสมัยแล้วควรที่จะตั้งใหม่อย่างไรมีไหมนักตรทั่วไป <c oughs> ที่จะคิดแกไให้ศีลที่โระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่ามันล้าสมัยไม่มีอย่างปา้านาติบาท่ารข่ากันตีกันเบียดเบียนกันสมัย น, นั้นกับสมัย น, นี้มันก็ทํทำนองเดียวกันคนข่ากันเบียดเบียนกันนั้นมันสงบถูกไหม เป็นสี่ปลกนะไหมเขามาข่าเรามาเบียดเยียนเราเราชอบไหมเรายินดีไหมเ ม, เามาื่เราไปยินดีเราไปข่าเขาเบียดเยียนเขาเขาเหล่านั้นเขาก็มีจิตใจเหมือนกันกันกบเรามันจึงมไม่ล้าสมัยมันยังทันสมัยอยู่คนจีไปที่ไหนถ่าคนนั้นตีคนนี้คนทั่วโลกยินดีเดือดใส่ไหม เราอยู่นี้ถ้าหาเป็นอย่างนั้นเจอการเข้าก็มยจะทะเลากันตีกันเราจะนั่งสงบสุขได้ไหมไม่นี้โอกาสเวลาที่จะสงบสุขได้การรักของเขาขโมยกันของใครก็มีสิทหวงแหวยนไม่อยากใจคนอื่นมารักมาขโมยมาผลมาจีบเอาไปเมื่อ สฎไมายก่อนผ่านุู้ใา้การจาไสมัยนี้ก็ทรรนอกเยียวกันคนที่ทำอย่างนั้นกฎหมายยังมีหวงหา้ามยังมีจับคุม้มเพาหลวงเกินตรรมาจิตของคนอื่นกฎหมายก็ออกไปจากศีลที่เพระพูทธชจ้างทรงบัญญัติเอาไว้ถ้ารักษาศีลได้ดียังหากวอแถวนี้โลกมันก็สงบไม่ขากันไม่ขโมยกันไม่กระทึกนอก รูน อ, อกทางเราอกน อ, อกใจกันครอบครัวนั้นจจสุขจะสบายไหมเห็นลงในหน้าในคก็จินข้ากันตายยิงกันตายปุกแขนคอตายต่างๆนั้นก็เพราะไม่มีขอบมีเขียตมีฝั่งมีฝาไม่มีศีนอยู่ในใจในใจของตัวนั่นเองมันจริงเป็นอย่างนะการโตหกพกลมก็ทำนองเดียวกัน ท้องไหม่มีคุณข่าสาระว่าเป็นท้องมีคุณข่าสาระท้องใหมดีว่ะเป็นท้องดิบท้องดีท้องฟมว่าเป็นท้องจริงถูกพกหกต้องลมถูกหลอกลวงอย่างนี้แต่สมัยนั้นท่านบอกว่าเป็นผู้ที่ถุถีนถูกขาศีนแต่สมัยนี้ก็าทำนองเยี่ยวกันคนที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่คนดีนิโลกจะนิยมชมชอบ แต่จงหวะคีนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของสี่ยังคงเปคงว่าตลอดมาอย่างการฝึกรักษาจิตก็ทานองเดียวกันคนที่มีจิตหนักแน่นทำอะไรเอาจริงเอาจังเพื่อคามสำเร็จในการงานทีตตัวทำที่ตัวต้องการื่ยจิตตั้งมั่นทำอะไรทา อย่างเอาจริงเอาจริงไม่หล่ะแหละเลี้ยวไหลไม่หวานไว้เอยนเอียวไปวต่างๆเป็นคนที่หน้าเรื่อมไสใ้าอยู่ในโลกทำ ง, งานทั้งโลกคนรั่วโลกไว้ใจเชื่อใจเรื่มใสศรัทธาถ้าอยู่ในทางศาสนาก็มัน่นคง ไม่วอกแวกนี่คือจิตมีสมาธิจิตหนักแน่นพอถูกสัญญาอารมณ์อะไรเขา้าไม่เอาทานให้มีแต่วันไว้บอกแวกอยู่เสมอทำอันนี้ว่าอันนั้นดีกว่าเดี๋ไปทำอันนั้นไปเห็นว่าอันนั้นมันยุ่งมันยากอันนั้นง่ายสบายเดี๋ไปทำอันนี้อยู่ตลอดเวลา หรือชอบใจใครก็วิ่งไปตามคนนั้นไม่อชอบใจก็หอบเสือกลับเห็นคนใหม่น่ารักน่าชอบใจวิ่งไปอีกคนแบบนี้เขาถือว่าเป็นคนดีหรือคนเรวแต่พิจารณาดูอขอคอยจะทราบวาระขอษศาสนานั้นมันลาสมัยที่ตรงไหนคนมีปัญญารอบกหอบพิจารณาอะไรต่าใจท่องแท้ชัดเจน ทำอะไรไม่ค่คยผิดพลาเอย่างของปัญญาเราพอบทุกสิ่งทุกอย่างไปในว่าปฏิบัติแก่คนและคนอื่นในว่าปฏิบัติงานนอกหรืองานในงานใจของตัวคนอย่างนี้เป็นคนเฉื่อหรือคนดีนี่คือหลักของศาสนาขันสอนไกลศึกษาคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางศึกษา ทางปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้าเห็นถ่าเป็นในจิตในใจแล้วจะต้องกราบต้องว่วต้องเคารพบูชาเขาุูดได้จ้าว่าท่านเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบจริงๆมีพยานยลาึกซึ้งในใจคนเงาเงาสายตาสั่นเหมือนพวกเราทัานเห็นโดยพระไทยวริสุกท่านเอ็นดูเมตตาสันโลก จึงวางสาสนะเอาไว้ผู้ที่ตัง้งหน้าตั้งตาเรื่มใส่ะพื่อจะปฏิบัติใจวายใจใจของตัวตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนจึงมีความสงบมีความเยือกเยน็นมีความเซนสุขสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ไม่ไว่าจะทำโดยกายพู ด, ด้วยวายาหรือคิดด้วยใจยอม ละยอมปล่อยยอมวางด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสียเห็ยไม่จส่ใจชัดเจนในจิตในใจไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสอนของผูดด้ใจกลางสิ่งใดสิท่านแม่สอนให้บำเพ็ญสิ่งนั้นถึงจะฝ่าฝืนจิตใจท่องตน เพยายามบังคับในจิตใจคิดนึกในวาจาพูดให้กายทําในสิ่งนั้นเมื่อทําไปจะเห็นอนิสงค์คือความสุขความสบายเกิดขึ้นในจิตในใจของตนไม่ได้ตำหนิว่าตนทําไมจะทํำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิตัวของตัวเองเพราะเรา ทำเราพูดเราคิดไปในทางที่ถูกที่ควรทีระพูทได้จา้าแม่สอนเสรอยแล้วปลาดทั่วไปจะไม่มีใครว่ามินทาจีเทียนเพราะเราทําถูกแต่คนาีชั่วทั่วไปนั้นเอาแน่นอนไม่ได้มันอาจตอนนนินทาก็เป็นได้ แต่ต้องตรวจตาคนที่มีปัญญามีธรรมะในตัวในตืนต้นในรูปในเสียงต่างๆเพราะท่านมีปัญญาตาเห็นรูปกดพิจารณารูปถ้ามันยินดีเกิดความอยากได้ร า, าคาตั้นหาท่านก็พิจารณาให้เลึกเข้าไปแต่รูปอันนี้มันมีมา ก, ก่อนแต่เราจะไม่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 ชอบไม่นควรในเจตของที่ควรยินดีเป็นก้อนของทิศตัวของเราเป็นอย่างไรรูปที่เราเห็นเขาเขาก็จะเป็นอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนแรงเรื่อยไปโลกไทยจะก็ อ, อาศัยเพราะเป็นที่อยู่ที่พักของโลกไทยเดี๋วรูปนั้นเป็นของปฏิกรูปในเ็ตของสวยสดงบงาม เรามองดูด้วยตาในเ่องที่เจรนาเอาสมมตินิยมของโลกเขาว่ามันก็กือวว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ทายพิจารณากันจริงจังมีอะไรเล่าในรูปนั้นนั้นในรารูปผู้หญิงในราวรูปผู้ชายมันเหมือนกันตกออกมาจากรูปไหลออกมาจากรูปมีอะไร เป็นของที่มีคุณค่าสาระใหออกทวาวรใดแต่เป็นของเน่าคลองเหม็นเป็นของปฏิกูลทั้งนะั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องคิดรูบไปพักคาอาศัยจะต้องแหลมลำละสาสางอยู่เรื่อยไปเสือผ่าขี่นัง่งขี่นอนมันสกปรกระราะรูมันสกระป ก, ม, ก, ะปกมันไหลออกไปรั่วออกไปจิดอะไรก็เ น, น่าเปล่าเหม็นแล้วทําไม เราจึงไปรักใครทําไมจึงเราจึงไปชอบใจของปฏิคูณอย่างนั้นนี่คือผู้มีอัตทําจะพิจารณาสอนใจผ่องตัวไม่ให้ติดข้องหยิ่งก็เหมือนกันขอสารเสวนเยืนยอว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ตรวจตาพิจารณาใจผ่องตัวว่ามันถูกตามคำข อ, ขอสารเสวนหรือไม่ถ้าหากมันไม่ถูกก็ไม่ควรที่จะตื่นเต้นใน่ควรที่จะดีใจ เอาทำนี่ยิงทาเหมืนกั น, นมันชั่วมันเสียไปหรือไม่ถ้าหากมันเชั่วเหมืเสียตทมทำสิเขาพูดเราตกจะไม่เสียใจทําไมนี่คือนี้อาจ ม, มีทำมีความสงบมีความสุขทางใจเพราะปากคนทานนั้นมันสามารถสรรเสริญได้ถ้าช่างที่ของนั้นเหน่าเหม็นช่างทิ่ของนั้นเป็นโทษ มันกดสังและเสวนได้ถึงของนั้นจะดีมีคุณค่ขาขนาดไหนจะไม่มีอะไรยั่วหายมันจะลินทาได้อีกเหมือนกันปากของคนจึงเอาจึงเอาจังเอาแหนเอานอนไม่ได้แต่เราพิจารณาเด้วยปัญญาพิจารณาด้วยจิตเป็นธรรมะจิตของเราจะได้ตืนเส้นจะมีความสงบเย็นตลอดเวลา เพราะคำแต่และเศนนินทานั้นเป็นโลกกับธรรมคนเกิดมาในโลกจะต้องโดนไม่ว่าแต่งงานเราพระพุทธเจ้าก็ยังโดนแผ่นจีวรนัตถิโลกเกอนันทิตโตคนไหนถูกนินทานไหนมีในโลกจะต้องถูกนินทาถึงดีวิเศษขนาดไหนอย่างเราแต่ฐานขดเขาก็ยังนินทานได้ท้าทาจิตท้าองค์มาเคต้องทํำสิ่งที่ชั่ว พูดสิิงที่ชั่วคิดจิิงที่ชั่วอะไรทำอะไรไปเพื่อการโลกให้ได้รับความบ่มเย็นเป็นสุขมีพระเมตตากรุณามุจิตาอุเบกขาในพระ อ, องค์อยู่ตลอดเวลาแต่คนทานมันก็ยังนำไปนินทาดีเซียนได้เราทั่วไปก็ื่ทำนองเดียวกันแต่นั้นทุกคน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 แล้วมันจะไ้ทําไปพูดไปคิดทำอะไยเพราะเราไม่ต่องใจความชั่วสิ่งใดมันดีสิ่งนั้นมันจะต้องยึดต้องถือเอาไว้ต้องรักษาเอาไว้นี่คือใจที่มีอัตมีธรรมใจไหนมีอัตมีธรรมมันจะคุกไปทุกสิ่งทุกอย่างเรามารักษามาภาวนามาท <c oughs> าละใจกว่ให้รักษา ในท้องตัวดูจิตใจข้องตัวอย่าไปดูข้างนอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่นี้ความดีความชั่วมันมีอยู่ในใจไม่ได้มีอยู่ที่ไหนเราไม่รักษาใจแต่ก็บ่นใจเดือดร้อนใจหุ่นไหยใจตกระกกใจคิดใจรวงใจยุ่งใจเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าเราไม่รักษาถ้าเห็นหน่าจิตใจของเรามีคุณค่า เราก็ต้องรักษาถ้าเห็นว่าจิตใจของเรา ม, มีคุณธาอะไรจะปล่อยมันไปสามเดีย๋ยเอารมณ์สัญญาก่อนแล้วแต่แต่จะบ่นว่ามันทุกมันยุ่งมันลำบากลำคาบมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้บนคนที่แบบนี้อาจมีธรรมมันจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาคนนี้อาจมีธรรมแท้จริงสุข ยิ่งสบายอยู่ในโลกเหมือนกันเกิดตายเหมือนกันแต่ท่านมีความสุขภายในพอใจของท่านรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงตามสัจจะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแน่สอนเอาไว้มี่พวกเราท่านมองข้ามบนแต่ทุกแตย่ยากแต่ลำบากลำคาลแต่ไม่เคยรักษาไม่เคยปฏิบัติใจของตัวแล้วจะให้มันสุไม่สงบมาจากที่ไหน สองรักษาใจนี่เรามาบวชเป็นทาตเป็นเนนกาดีมาปฏิบัติเัวระยะเวลาสั้นๆก็ดีก็เพื่อหาความสงบของจิตของใจความสุขของจิต ข, ของใจและอย่าไปหาที่ใหม่ที่อื่นให้หาอยู่ในจิตในใจของตัวจินใจเห็นพราเสวะดีมันมีอยู่นี้กิเลสมันมีอยู่นี้ ไปชำระที่อื่นมันชำระชลราไม่ออกแต่บำเพ็ญที่อื่นมันบำเพ็ญในขึ้นต้องบำเพ็ญในจิตในใจของตัวการภาวนาการรักษาจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนฮิโ ม, งม่งความสุขความสงบจะต้องแต่ทำบำเพ็ญจะใจอว่า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 ก, ก็ไนมนะีว่าศาสนาเขาตายไปแล้วเราจะมีกกนนะว่าศาสนาเรายังจะละจะบําเพ็ญได้อยู่จริงๆมันชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกให้ําลักให้ต่งางน้าต่างตาสำลาดไปจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้บําเพ็ญให้ต่างใจบําเพ็ญจิตใจจะย่นจะสงบจะสุขจะสบายถ้เราทําตามปรวัติําสอนของพระพุทธเจ้า ทุกคนก็จะเห็นผลคือความสงบสุขแต่นั้นพวกเราท่านที่อยู่ด้วยกันนี้ต่างคนต่างมุ่งมั่นมาปฏิบัติเกื่วความสุขความเจริญของใจการงานด้านอื่นก็ไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเกี่ยว นี่จะหน้าที่จะดูแลรักษาจิตของตัวรีบเบ่งกำหนดลงไปให้ยใจสงบหายใจเห็นหายใจเป็นอาจเป็นธรรมเมื่อเราเห็นเราเป็นความเยือกเย็นของจิตของใจนั้นก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกให้หรือให้คะแนนเราจะทราบจากการแตะธรรม จากการเห็นการเป็นของตัวเองนี่คือผู้ปฏิบัติแต่คนอื่นจะเปะ็นผู้ปฏิบัติเพราะพุทธเจ้าแทนไม่ได้คิดมูลค่าอะไรที่มาเนี่ยสอนสันโลกผู้ประพฤปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นเห็นรู้ในอนัดในธทำแล้วก็ไม่มีทางแต่ต้องใส่สามารถผลิพัน หมดไปตามลมปากของคนทานหรือไม่หรือยังตรงเป็นคงวาอยู่เราจะรู้จะเข้าใจคนอื่นเขาไปหย่อนสาเข้ามาปฏิบัติเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปอยู่เกี่ยวขอให้เราตัเพื่อปฏิบัติจิตใจของเราคนไปจากทุกโทษที่ไม่สาปนาเพียงเท่านี้พอแล้วเราสงบคนเดียวโลกสงบ เราคนคนเดียวก็เป็นพรเอาตัวรอดเป็นยอดดีในต่างหน้าต่างๆาที่นี้พี่เจนาศึกษาต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติความสุขความเจเริญของจิตของใจนั้นของเราแผ่นมีสิทธิจะเห็นจะเป็นโดยการทุกคนดางนั้นการมาพัก วัดวาปฏิบัติกายวาจาใจขอทุกคนจงต่างหน้าต่างตาจิีวิจัยนะธรรมะจริงจังความสุขความเจริญที่เราต้องการโจะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมายิงแบบพอสมควรใชเวลาเพราะยิ่เจริงเข้ม